บทที่20การทดสอบเสียงวิญญาณจากเรื่องราวต่างๆมีปัญหาหนึ่งผุดขึ้นมาในใจของเราเสียงต่างๆนั้นมาจากไหนหรือพวกมันจะมาจากคนทรงหรือเป็นการเล่นกลปรับแปลงเสียงก่อนบูดกับเบตตี้กรีนจะเริ่มเรื่องราวของการนั่งทรงอันยาวนานเลดลีฟลินได้ผ่านการทดสอบอย่างเคร่งครัดที่สุดหลายครั้งหลายครา โดยนักสืบสวนทางจิตที่มีความคิดในด้านตรงข้ามหนึ่งในผู้สอบสวนของเขาคือด็อกเตอร์หลุยส์ผู้เคยทำงานกับโทมัสอวาเอดิสันนักประดิษฐ์ชาวอเมริกันผู้ก่อให้เกิดโคมไฟฟ้าไมโครโฟนและหีตเพลงด็อกเตอร์หลุยส์ผู้นี้เคยฉีกหน้ากากคนทรงกรรมลอหลายคนในสหรัฐการทดสอบครั้งหนึ่งฟรินถูกเติมน้าไว้ในปากจนเต็มไฟถูกเปิด และฟรินต์บ้วนน้ำจากปากลงไปในแก้วในปี1948สาธุคุณเดเรนโทมัสสมาชิกของสภาแห่งสังคมสำหรับการสำรวจวิจัยทางจิตได้ทำอีกการทดสอบหนึ่งเขารายงานผลในไซต์คิกนิววันที่14กุมภาพันธ์ของปีนั้นว่าวันที่5กุมภาพันธ์ผมเอาแทบยูลาสโตพรัสปิดริมฝีปากเขาแน่น ความยาวห้านิ้วครึ่งกว้างสองนิ้วครึ่งมันเหนียวมากแล้วมัดมือทั้งสองของคนทรงเข้ากับเก้าอี้อย่างแน่นหนาและมัดอีกจุดหนึ่งคือตรงส่วนบนมัดเขาไว้ไม่ให้ก้มศีรษะได้เผื่อว่าเขาพยายามดิ้นรนขยับให้ผ้าคาดหรือแถบกาวหลวมเขาทำเช่นนั้นไม่ได้แน่ใครก็ตามที่ถูกปิดปากแน่นและพยายามจะพูดเสียงย่อมอู่อี้ฟังไม่ได้สับ ยกเว้นเป็นเสียงที่ประดิษฐ์ขึ้นการทดลองของผมได้รับการออกแบบมาเพื่อแสดงว่าภายใต้สภาวะแบบนี้ค่อยคำที่ถูกเปร่งเสียงออกมาต้องกำเนิดจากปากโดยตรงการทดลองประสบความสำเร็จเสียงต่างๆเปร่งออกมาอย่างชัดเจนและมิกกี้คนนำทางของฟรินเน้นความสามารถของเขาหลายครั้งด้วยการตะโกนดังๆ คน12คนเป็นพยานและเราทุกคนได้ยินมากพอที่จะเชื่อว่าเราปิดปากฟิลมจนแน่นเขาไม่มีทางทำเสียงใดๆไ ด, ได้นอกแต่จากเสียงซึ่งมาจากคนที่มองไม่เห็นและพูดตามที่พวกเขาปราถนาในช่วงท้ายของการนั่งทรงผมตรวจสอบเชือกรัดและปัสเตอร์พบว่าทุกอย่างยังแน่นหนาไม่มีการคลาดเคลื่อน ลัสเตอร์ปิดแน่นจนเห็นได้ว่าปากที่จะขยับไม่มีทางทำได้ถ้าไม่เจ็บ่วนในอีกหลายการทดลองด้วยไมโครโฟนต่อเข้ากับเครื่องขยายเสียงถูกโยงเข้ากับลำคอของฟลินท์เพื่อบันทึกเสียงที่เขาอาจทำขึ้นมือของเขาถูกมัดมีผู้สังเกตการนั่งขนาบข้างกายเขาและบรรดาผู้สืบสวนทำจับตาดูการเคลื่อนไหวของเขาผ่านกล้องอัลฟาเรตเทลสโคป เสียงต่างๆยังดังออกมาและผู้สืบสวนแห่งกล่องเสียงเอ็กโทพลาสติกก่อตัวขึ้นเป็นรูปเป็นร่างรออยู่เหนือศีรษะของเขาราวสองฟุตถ้าเสียงต่างๆไม่ใช่ฟลินท์มันมาจากไหนเราสามารถทำการทดสอบได้อย่างไรว่าพวกเขาเป็นใครได้หรือไม่ตอนที่เริ่มบันทึกบูดได้เปิดทำการเชิญคนที่รู้จักบรรดาผู้อ้างตัวว่าเป็นใครบนโลกมาฟังเทป และบอกว่าใช่เสียงของคนผู้นั้นจริงหรือเปล่าหนึ่งในเสียงแรกอ้างว่าเป็นไมเคิลเซียรอนที่มีการกล่าวถึงตอนต้นของหนังสือเล่มนี้วูดเชิญบรรดาของเขามาร่วมนั่งทรงเสียงนั้นดำเนินบทสนทนาอยู่นานอย่างมีชีวิตชีวานางเฟียรอนเชื่อว่าตนกำลังคุยกับลูกชายตลอดเวลาเพื่อนๆญาติๆของเสียงต่างๆถูกวูดเชิญมาร่วมฟังเทป 19เมษายนปี1962เสียงหนึ่งอ้างว่าเป็น F. E. Smith หลอดเบอร์เดนเฮดซึ่งครั้งหนึ่งคือลอดซานเชลเลอร์ยังผ่านเข้ามาประกาศว่าเขาเปลี่ยนใจเรื่องบทลงโทษและให้เหตุผลที่เขาคิดว่ามันจะให้ผลร้ายมากกว่าผลดีเทปถูกเล่นให้ชาวลอสบี้ M. C. QC ผู้เคยเป็นนักเรียนของสมิธที่เกรซอิน เขาเขียนจดหมายมาหาบูดวันที่21พฤศจิกายนปี1965จากบ้านของเขาในเกิร์เซมูเกาะชาแนลผมชาวลอสบี้ MCQC ยืนยันว่าผมพอใจที่ได้ยินเสียงของเอฟ m i สมิธหลอดเบอร์เดนเฮดซึ่งครั้งหนึ่งคือหลอดชานเซลเลอร์แห่งอังกฤษในเทปที่ทำการบันทึกโดยคุณเอฟจีบูด จากการนั่งทรงและได้ยินเสียงโดยตรงจากลอนดอนผ่านคนทรงที่ชื่อเลดลี่ฟลินต์ผู้เป็นผู้มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันดีผมยินดีอย่างยิ่งที่ได้ฟังอย่างพิเคราะห์ท่วนทีมีการป้องกันเพื่อเลี่ยงความเป็นไปได้ของการหลอกลวงเข้าใจผิดหรือข้อผิดพลาดใดๆก็ตามผมได้ยินเสียงของหลอดเบอร์เดนเฮดมาตั้งแต่สมัยที่เขายังมีชีวิตอยู่ผมตื่นเต้นที่รับรู้ว่าเขายังอยู่ วันที่4มีนาคมปี1963และอีกครั้งในวันที่25เมษายนปี1966มีเสียงหนึ่งอ้างว่าเป็นเซอร์โอลิเวอร์หลอดผู้ชำนาญวิชาฟิสิกส์ชื่อดังที่สุดในยุคนั้นและยังเป็นผู้วิจัยทางจิตคนสำคัญได้มีการเล่นเทปให้ในายเซกรอฟอาจารย์จิตวิทยาที่กเกษียณแล้วฟังเขาเคยเรียนกับหลอดและรู้จักหลอดดี วันที่หนึ่งสิงหาคมปี1966กรอบเขียนจดหมายมาหาบูจากบ้านของเขาในเอมมอริงอองซีซัสเซสมาตั้งแต่สมัยที่เขายังมีชีวิตอยู่ผมตื่นเต้นที่รับรู้ว่าเขายังอยู่ด้วยคำเชิญของคุณเอสจีบูดกับคุณกรีนภรรยาของผมกับผมฟังเทปบันทึกคำพูดซึ่งอ้างว่าเป็นคำพูดของเซอร์โอลิเวอร์ลอร์เรารู้สึกว่าเสียงนั้นเหมือนกับเสียงที่เรารู้จัก นั่นคือเสียของเซอร์โอลิเวอร์ลอร์ดเราเคยคุยกับเขาหลายครั้งลักษณะการออกเสียงความเลื่อนไหลของเสียงและการเลือกเน้นถ้อยคำกับวลีเราจำได้ว่าเป็นลักษณะของการพูดของเซอร์โอลิเวอร์ลอร์ดวันที่17มิถุนายนปี1963เสียงหนึ่งอ้างว่าเป็นลิเลียนเบลิผู้ก่อตั้งโอวิก วันที่21สิงหาคมปีเดียวกันนั้นวูดเปิดเทปเสียงแพร่ภาพทางโทรทัศน์เหตุนี้เองที่เขาได้รับจดหมายจากนางเอลิสเอฟวัตสันลูกเลี้ยงของลิเลียนเบลิสซึ่งอยู่ที่บ้านของนางและช่วยกันทำงานที่โอวิกเธอเดินทางมาจากบ้านของเธอในโฮฟเพื่อมาหาหูดและฟังเทปทั้งหมดวันที่21พฤศจิกายนเธอเขียนจดหมายถึงบูดความว่า ฉันมีความสุขที่จะยืนยันว่านั่นคือเสียงของลิเลียนเบลลิสที่ฉันเคยได้ยินและฉันมั่นใจว่าใช่เทปทีท่ถูกทดสอบมากที่สุดจากเสียงทั้งหมดก็คือเทปทีทท่อ้างว่าเป็น Cos คอสโมแลนการสื่อสารครั้งแรกมีขึ้นในเดือนพฤศจิกายนปี1959เมื่อเขาบอกบูดกับเบสตี้กรีนถึงความคิดเห็นที่เปลี่ยนไปในเรื่องของาศาสนาและวิญญาณดังที่กล่าวไว้ในสองบทก่อน กันยายนปี1960สาธุคุณจอห์นเพีสฮิกกินส์อดีตวิคาแห่งพัฒนีและประธานคณะกรรมการสำรวจวิจัยแห่งสมาคมศาสนาเพื่อการศึกษาด้านจิตได้ออกรายการโทรทัศน์ภาคค่ำของสมาคมในวันอาทิตย์ About Religion s ถกถึงความสัมพันธ์ระหว่างศาสนาคริสต์กับความเชื่อในเรื่องของวิญญาณ เขาอ้างถึงบันทึกเทปเสียงวิญญาณเหล่านั้นว่าเป็นหลักฐานเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างทั้ง2อสิ่งในขณะเดียวกันตัวผู้เขียนที่เป็นผู้เขียนสารคดีในเดล y s k เก็ตผู้เขียนได้รับคำสั่งจากบรรณาธิการคอลินวาวดาให้เขียนบทความเป็นชุดเกี่ยวกับหลักฐานล่าสุดเรื่องชีวิตหลังความตายบูดรู้เรื่องงานของผู้เขียนและขอให้ผู้เขียนไปยังแฟลตของเขาในไบรตันเพื่อฟังเทปด้วยตัวเอง ตอนที่ผู้เขียนเป็นนักศึกษาผู้เขียนเคยได้ฟังคำสอนของแรงในโบสถ์ที่โรงเรียนเวสต์จอนออกฟอร์ดทงในปี1937และ1938ผู้เขียนพยายามรวบรวมความคิดเห็นจากบุคคลต่างๆที่รู้จักเขาหรือเคยฟังคำสอนของเขาเพียสฮิกกินให้ข้อมูลที่แน่นอนมากการจัดชุมนุมทรงเป็นเรื่องจริง เขากล่าวผมคิดว่ามันเป็นไปได้ที่เสียงนั้นจะเป็นเสียงของคอสโมแลงทุกอย่างเป็นแบบฉบับของแลงส่วนบรรดาคนที่ได้ฟังแลงพูดก็บอกว่าเสียงคล้ายกันมากแล้วเมื่อนำลักษณะต่างๆในน้ำเสียงลีลาการพูดการใช้ถ้อยคำของเขาไปเชื่อมกับลักษณะการสื่อสารอื่นๆซึ่งอาจหาหลักฐานมายืนยันสนับสนุนได้มากกว่าบางที นี่อาจจะเป็นเสียงของเขาจริงๆเพื่อนเก่าคนหนึ่งของครอบครัวนางเฮอร์เบิร์ตแลนด์ซึ่งอาศัยอยู่แถบแวร์ชมดอร์เซตก็มีความเชื่อในเรื่องนี้เพราะบ่อยครั้งที่แรงมาพักกับเธอหรือบางทีเธอก็ไปพักกับเขาสิ่งที่ติดอยู่ในใจฉันตั้งแต่ได้ฟังในครั้งแรกเธอกล่าวมันเป็นเสียงของเขาจริงๆฉันรู้สึกเหมือนเขากาลังพูดอยู่ ฉันรู้สึกว่านี่คือสิ่งที่อาร์ชบิชอปแลงจะพูดเหมือนกับเขาไม่ได้วิจารณ์โดยปราศจากโครงสร้างความคิดเพียรฮิกกินช่วยจัดให้มีการทดสอบซึ่งเราหวังว่าจะช่วยตัดสินใจได้ผู้เขียนยืมเทปบันทึกเสียงของแลงสมัยที่เขายังมีชีวิตอยู่จากผู้อำนวยการรายการกระจายเสียงทางศาสนาของบีบีซีตามคาแนะนาของเขาเทปนั้น เป็นการกระจายเสียงครั้งสำคัญที่เขาพูดเกี่ยวกับการสระละราชสมบัติของกษัตริย์เอ็ดเวิร์ดที่3เมื่อปี1936ผู้เขียนนำเทปนี้กับเทปของวูดมายังบ้านของบิชอปแห่งเซาวอ์นั่นคือด็ตรเมอร์วินสตอกบูดผู้เขียนเปิดเทปที่ละม้วนจากนั้นก็ให้เขาฟังพร้อมกับผู้ช่วยของเขาและอาจารย์ใหญ่วิทยาลัยเซนต์สตีเวนออกฟอร์ด การทดสอบได้ผลไม่หนักแน่นนักเสียงของแรงเมื่อครั้งมีชีวิตมีความหนักแน่นมีพลังมั่นคงกว่าเสียงที่มาจากความตายผมว่าปีชอปกล่าวเราสามารถแยกความเป็นไปได้ออกจากการหลอกลวงตบตาถึงที่มาของเสียงไม่มีใครรู้แน่ชัดอาจเป็นคอสโมแรงหรืออาจจะเป็นใครสักคนผมไม่สามารถชี้สูตรได้ จุดที่ทําให้ดีช็อปกับผู้เชื่อถือทั้งสองกังวลก็คือแลงท่าทางของเขาไม่ค่อยอยากโต้แย้งเสียงมีความชัดเจนน้อยกว่าที่พวกเขาหวังตอนแลงมีชีวิตอยู่เขาเป็นคนที่แรงพูดจาฉาดฉานแต่นี่ไม่ทําให้เพียร์สฮิกกินกังวลเส้นไปไม่ได้เขาว่าที่จะคาดหวังว่าเสียงของคนที่ล่วงลับไปแล้ว จะชัดเจนเท่ากับเสียงของเขาสมัยที่ยังมีชีวิตยอยู่เมื่อพิจารณาจากความยากลำบากในการก่อให้เกิดเสียงผ่านเข้ามาในพบของเรามันคล้ายกับการทำให้มวลเมฆคลอยต่ำจากระดับสูงที่พวกมันอยู่ลดลงมาอยู่ในระดับต่ำพวกเขาลำบากมากในการที่จะติดต่อกับเราพวกเขาไม่สามารถแสดงตัวได้ชัดเจนเหมือนอย่างที่พวกเราทาได้ตอนเป็นมนุษย์ปกติ หรือตอนที่พวกเขายังอยู่บนโลกใบนี้อีกไม่นานนะักเพียก์สิกกินก็ได้รับการสนับสนุนจากผู้ที่เขาไม่คาดคิดปลายเดือนกันยายนปี1960สมาคมศาสนาจัดประชุมประจำปีขึ้นเทปของแรงได้ถูกเปิดและมีการอภิปรายในเรื่องนี้กรีนได้นั่งทรงกับฟริน ต, ตามปกติ เสียงที่อ้างว่าเป็นแหล่งดังขึ้นมาอีกและอธิบายว่าทาไมฉันก็ไปร่วมประชุมกับพวกคุณเขาบอกตอนพวกคุณพบปะกับสมาชิกของสมาคมศาสนาและฉันรู้ดีถึงปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นอันเกี่ยวเนื่องกับบทสนทนากับฉันที่พวกคุณเปิดให้พวกเขาฟังในโอกาสนี้ฉันไม่อยากจะเท้าวความหลอกที่จริงฉันมีเรื่องที่จะพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้ ตามมาด้วยเลคเชอร์อันยาวยืดตอนใกล้จบเบ็ตตี้กรีนช่วยโอกาสถามคำถามคุณอยู่กับเราเมื่อคืนหรอคะเธอถามใช่สิเขาตอบคุณรู้ว่ามีการถกถึงเรื่องเสียงของคุณด้วยใช่ไหมโชคไม่ดีเลยนะที่มันกลายเป็นการโต้เถียงน่าประหลาดใจนิดหน่อยเธอว่าพวกเราเกิดความประหลาดใจที่คุณใช้คำบางคำอย่างเช่นเกรงและภาวะ มีคนแนะนำว่าคุณคงกลับมาหาเราอีกและเราควรพูดถึงเรื่องนี้คำตอบคือตัวมันเองคุณต้องจำสิว่าทุกเสียงถูกสร้างขึ้นมาอย่างมีกระบวนการมีกลวิธีคนในโลกของคุณใช้อวัยวะของร่างกายมนุษย์ตามธรรมชาติการสั่นสะเทือนในคลื่นอากาศคุณใช้อวัยวะกําเนิดเสียงควบคู่กับภูมิหลังและการศึกษาของคุณ สร้างสิ่งต่างๆที่คุณให้คำจำกัดความตามความเข้าใจของตัวเองสร้างเสียงที่มีคุณลักษณะเฉพาะตัวของคุณขึ้นมาสิ่งที่ประกอบขึ้นเป็นเสียงปกติในตัวบุคคลคือการนำพาความคิดของปัจเจกบุคคลสื่อสารออกมาเวลาที่ฉันหรือคนอื่นๆมาติดต่อกับคุณคุณต้องคำนึงด้วยว่าเรากำลังพูดผ่านกล่องเสียงที่สร้างขึ้นมาโดยส่วนตัวแล้ว ฉันไม่คิดว่าเรื่องเสียงนี้เป็นเสียงของใครจะเป็นเรื่องสำคัญนะักฉันสนใจมากกว่าว่าถ้าใครจากทบนี้สามารถทำเสียงของพวกเขาให้เป็นกระแสขึ้นความคิดได้ไหมอีกอย่างเสียงคืออะไรล่ะผลผลิตของความคิดที่ถ่ายทอดผ่านขึ้นอากาศมาเป็นคลื่นเสียงอย่าลืมว่าเราอยู่นอกโลกของคุณไม่มีสรีละร่างกายอีกต่อไป ไม่สามารถพูดคุยกับพวกคุณได้ด้วยวิธีปกติอย่างที่คุณเข้าใจการแปลความคิดอย่างที่เราทำด้วยพลังของเครื่องมือหรือคนทรงแทบไม่สามารถคาดหวังให้เป็นสิ่งที่จำเพาะเจาะจงได้แม้กระทั่งจะให้จำได้ว่าเสียงพวกเราเคยเป็นอย่างไรการเวลาเองก็แพรกหลายสิ่งหลายอย่างไปจากเราแต่มีอยู่สิ่งหนึ่งซึ่งเอาไปจากเราไม่ได้นั่นคือความจริง เราได้เรียนรู้ความจริงมีความรู้มีประสบการณ์มากขึ้นและเราอยู่ในจุดที่จะแสดงความจริงให้คุณรับทราบถ้าคุณจะยอมรับมันอย่าติดขัดอยู่กับสิ่งเล็กๆน้อยๆซึ่งบ่อยครั้งจะเกิดขึ้นกับบุคคลที่ยกเรื่องนี้ขึ้นมาเพื่อทำลายเพราะพวกเขาหวาดกลัวอีกอย่างไม่สำคัญหรอกว่าเสียงของฉัน ใช่เสียงเดียวกับที่ฉันเคยอยู่บนโลกหรือไม่บางครั้งเสียงของฉันก็เหมือนกับเสียงอื่นๆซึ่งต้องเปลี่ยนไปตามการเวลาโดยไม่ต้องสงสัยเสียงของฉันในบ้านปลายชีวิตย่อมไม่เหมือนกับเสียงของฉันตอนที่อายุสี่สิบและการเปลี่ยนแปลงน้ำหนักในถ้อยคำก็ไม่ได้มีผลอะไรจงพึงจําไว้ว่าฉันพูดกับเธอในแบบที่ฉันเป็น ไม่ใช่อย่างที่ฉันเคยเป็นจําไว้ว่าฉันเปลี่ยนไปขอบคุณพระเจ้าที่เปลี่ยนฉันไปและถ้าความภูมิใจคือธรรมชาติของฉันทั้งที่จริงๆแล้วมันไม่ใช่หรอกแต่ฉันภูมิใจที่สามารถพูดได้ว่าฉันเปลี่ยนไปแล้วความคิดของฉันไม่ใช่ความคิดที่ครั้งหนึ่งเคยมีดังนั้นมันสําคัญอะไรที่เสียงของฉันจะไม่เหมือนเดิม สำหรับผู้ที่ยังกังขาฉันขอบอกว่าเมื่อเวลานั้นมาถึงคุณจะเชื่อแต่มันจะดีกว่าถ้าคุณเชื่อในเรื่องนี้ตั้งแต่คุณยังมีชีวิตอยู่บนโลกเพื่อคุณจะได้ตั้งใจทำความดีทำสิ่งที่ดีและทำในสิ่งที่คุณทำได้มันดีกว่าที่จะรอจนมาอยู่ที่นี่สำหรับหลายคนที่มองย้อนกลับไปสมัยที่ตัวเองยังอยู่บนโลกพวกเขาคิดว่า พวกเขาน่าจะรู้เรื่องนี้ตั้งแต่ตอนนั้นเพื่อชีวิตของเขาจะได้ดีกว่าที่เป็นมาถ้าเขาได้รู้มาก่อนการกระทําของพวกเขาคงแตกต่างไปและพวกเขาคงทําอะไรอะไรได้มากกว่านี้เพื่อจะได้อยู่ใกล้กับพระเจ้าในภายหลังได้มีการเปิดเทปนี้ให้นายคนแนชอแห่งแอดเมอริงซัสเฟัง เขาคิดว่าเสียงนี้เป็นเสียงเดียวกับเสียงของแลงในฐานะที่ผมเป็นคนร้องเพลงสวดในยอร์กมินสเตอร์ช่วงปี1908ถึงปี1915ผมมีโอกาสมากในการติดต่อกับด็ตอร์แลงโดยตรงในโอกาสต่างๆเหล่านี้ผมเคยได้รับเลือกให้ขึ้นบนรถไฟของอาร์ชบิชอปด็อกร์แลงเคยจัดแถวเด็กสวดของพวกเราบนเรือบนแม่น้ำอูสไปพบกับบิชอป การพูดช้าๆของเขาในเทปนั้นเหมือนเดิมมากเหมือนลักษณะการพูดของเขาสองมือของเขาจะกลุมแพรลของคอและเขาจะนำประโยคทั้งหมดมาถึงจุดคลแม็กของวาทะด้วยคำหนึ่งคำหรือหนึ่งวลีกริยาระหว่างพูดของเขาศีษะของเขาจะหันจากซ้ายไปขวาและจากขวาไปซ้ายและ มองตรงไปเพื่อได้รับความสนใจจากคนฟังทั้งสามด้านใช่ผมมีหลักฐานระบุได้ว่าผู้สื่อสารคนนี้คือดรคอสโมแลงตามที่เขาอ้างไว้ในเทปการโต้แย้งกำลังมีขึ้นอีกแต่มันจะสำคัญหรือในมุมที่แลงบอกว่าคำตอบมันไม่สำคัญหลักฐานจากพบอื่นสนับสนุนเหตุผลของเขาที่ว่า ไม่มีใครในโลกหน้าจะทำเสียงของตัวเองให้เหมือนเดิมตอนมีชีวิตอยู่บนโลกมนุษย์ได้หลายคนบนภพของเราออสกา์ไว์พูดพยายามพูดอย่างดีแต่มันให้ผลที่น้อยมากเหตุผลง่ายๆก็คือเรากำลังต้องใช้กรรมวิธีสื่อสารอย่างพิเศษทำไมพวกเขาไม่ประดิษฐ์อะไรสักอย่างที่ให้ผลหน้าพอใจกว่านี้เล่ามันจะได้ผลสำเร็จมากกว่านี้ผมคิดไม่ออกเลย e อ l e n t เ r ออธิบายปัญหานี้ไว้ในปี1965มันไม่ง่ายนะักแม้จะเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการสื่อสารมากที่สุดในการที่เขาจะมาหาคุณติดต่อกับคุณและเริ่มบทสนทนาให้เหมือนปกติผมคิดว่าปัจจัยหนึ่งที่อำนวยให้เราสื่อสารกับพวกคุณได้นั่นคือปาฏิหาริย์และยังมีคนบนโลกของคุณคิดว่าการสื่อสารความคิดนี้เป็นสิ่งที่ถูกบิดเบือน ดัดแปลงแม้จะมีหลักฐานยืนยันมากมายนอกจากนั้นบางทีบางคนก็ยังระบุไม่ได้ชัดเจนถึงความหมายของเราว่าเรากำลังพูดอะไรผมอยากจอธิบายให้คุณฟังว่ากล่องเสียงที่เราก่อขึ้นมานั้นเกิดได้ด้วยกรรมวิธีในการสร้างของแต่ละคนมีลักษณะบุคลิกของแต่ละคนมีเสียงท่วงทานองความประทับใจ ความคิดในเรื่องต่างๆที่สื่อสารออกมานั้นเป็นเรื่องของแต่ละบุคคลแม้มันอาจจะฟังดูเป็นธรรมชาติแต่มันก็ยังเป็นกล่องเสียงตอนที่อยู่บนโลกคุณมีร่างกายมีอวัยวะกำเนิดเสียงและคุณมีชีวิตอยู่ภายใต้สภาพที่ปกติอวัยวะกาเนิดเสียงของคุณทาหน้าที่โดยอัตโนมัติมันเป็นไปตามธรรมชาติคุณกําลังทาให้บรรยากาศสั่นสะเทือน คุณสร้างเสียงตามด้วยเงื่อนไขาตามสภาพของธรรมชาติในขณะที่เราจะต้องทำสิ่งทั้งหมดนี้ด้วยตัวเองเรายืนอยู่หน้ากล่องเสียงรวบรวมสมาธิทั้งหมดรวมทั้งความคิดของเราคุณก็รู้ว่ามันยากเพียงใดในการที่จะคงความคิดของเราให้ชัดเจนอยู่ตลอดและจะต้องระมัดระวังแค่ไหนมันยากกว่าที่คุณจะทำได้ในวิถีปกติบนโลก ถ้าเสียงเหล่านี้ไม่ได้คิดจะหาข้ออ้างมันก็ยังลำบากเกินไปในการตัดสินหรือพิสูจน์ยังมีการทดสอบวิธีอื่นที่เรานำมาใช้ได้อีกหรือึกล่าวเราไม่สามารถยืนยันได้เกี่ยวกับโลกของพวกเขาแต่เราสามารถตั้งข้อสังเกตได้สิ่งที่พวกเขาบอกเกี่ยวกับพบนั้นเราได้รู้กันไปแล้วแต่อาจยังมีข้อข้องใจว่ามีผนังกั้นกลางระหว่างเรากับเขา ในตำแหน่งที่สองพบบรรจบกันหรือไม่และข้ออ้างอิงเรื่องของโลกหน้าจะตรวจสอบได้ด้วยคนที่ยังอยู่บนโลกนี้หรือไม่